พระไตรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่28สิดุตตันตปิฎกขุทธกนิกายชาดกภาคที่สองในเล่มที่แล้วมีเรื่องเล็กเน้อยๆ้รวมกันถึงห้ายิห้าเรื่องแต่ในเล่มนี้มีเพียงยีบสองเรื่องเพราะเป็นเรื่องยาวๆทั้งนั้นสิบสองเรื่องแรกเป็นเรื่องที่มีคําฉันเรื่องละห้าสิบบทสามเรื่องหกสิบบทสองเรื่องเจ็ดสิบบทสองเรื่อง แปบทห้าเรื่องส่วนสิบเรื่องหลังคือเรื่องที่เรียกว่ามหานิบาตชาดกแปลว่าชาดกที่ชุมนุมเรื่องใหญ่หรือที่โบราณเรียกว่าทศชาติคือเรื่องสิบชาติซึ่งในที่นี้จะออกนามพร้อมทั้งกล่าวใจความย่อทั้งสิบเรื่องดังต่อไปนี้เรื่องที่หนึ่งเตมิยะชาดก ชาดกเรื่องนี้แสดงถึงการบำเพ็ญเนคขมมะบารมีคือการออกบวชหรือการออกจาักรกามเล่าเรื่องเตมียะราชกุมารเกรงการที่จะได้ครองราชสมบัติเพราะทรงสลดพระหฤทยัยที่เห็นราชบุรุษลงโทษโจรตามพระราชดำรัสของพระราชาเช่นเคี่ยนพันครั้งบ้างเอาหอกแทงบ้างเอาหลาวเสียบบ้าง จึงใช้วิธีแซงทำเป็นง่อยเปลี่ยหูหนวกเป็นใบไม่พูดจากับใครแม้จะถูกทดลองต่างๆก็อดกลั้นไว้ไม่ยอมแสดงอาการพิรุษให้ปรากฏทั้งนี้เพื่อจะเลี่ยงการครองราชสมบัติพระราชาปรึกษาพวกพราหมกก็ได้รับคำแนะนำให้นำราชกุมารไปฝังซะพระราชมารดาทรงคัดค้านไม่สำเร็จ ก็ทูลขอให้พระราชกุมารของราชสซักเจ็ดวันแต่พระราชกุมารก็ไม่ยอมพูดต่อเมื่อเจ็ดวันแล้วสารถีนำราชกุมารขึ้นสู่รถไปเพื่อจะฝังตามรับสั่งของพระราชาขณะที่ขุดหลุมอยู่พระราชกุมารก็เสด็จลงจากรถตรัสปราศัยกับนายสารถีแจ้งความจริงให้ทราบว่ามีพระประสงค์จะออกบวช สารถีเริ่มใส่ในคำสอนขอออกบวช ด, ด้วยจึงตรัสสั่งให้นารถกลับไปคืนก่อนสารถีนำความไปเล่าถวายพระราชมารดาและพระราชบิดาให้ทรงทราบทั้งสองพระองค์พร้อมด้วยอัมมาต ร, ราชบริพานจึงเสด็จออกไปหาเชิญให้พระราชกุมารเสด็จกลับไปครองราชสมบัติแต่พระราชกุมารกลับมาถวายหลักธรรม ให้ยินดีในเนคคำมะคือการออกจากกรามประชนกชนนีพร้อมด้วยบริวารทรงเลื่อมใสในคำสอนก็เสด็จออกผนวดและบวชตามและได้มีพระราชาอื่นอีกเป็นอันมากสดับพระโอวาทขอออกผนวดตามเรื่องที่สองมหาชนกชาดก ชาดกเรื่องนี้แสดงถึงการบำเพ็ญวิริยะบารมีคือความเพียรใจความสำคัญคือพระมหาชนกราชกุูมานเดินทางไปทางทะเลเรือแตกคนทั้งหลายจมน้ำตายบ้างเป็นเหยื่อของสัตว์น้ำบ้างแต่ไม่ทรงละความอุตสาหะทรงว่ายน้ำโดยกำหนดทิศ ท, ทางแห่งกรุงมิถิลาในที่สุดก็ได้รอดชีวิตกลับไปถึงกรุงมิถิลา ได้ครองราชสมบัติชาดกเรื่องนี้เป็นที่มาแห่งภาษิต ท, ที่ว่าเป็นชายควรเพียรร่ำไปอย่าเบื่อหน่ายความเพียรเราเห็นตัวเองเป็นได้อย่างที่ปรารถนาขึ้นจากน้ำมาสู่บกได้เรื่องที่สามสุวรรณสามชาดก ชาดกเรื่องนี้แสดงถึงการบำเพ็ญเมตตาบารมีคือการแผ่ไมตรีจิตคิดจะให้สัตว์ทั้งปวงเป็นสุขทั่วหน้ามีเรื่องเล่าว่าสุวรรณสามเลี้ยงมารดาบิดาของตนซึ่งเสียจักษุหรือตาบอดอาศัยอยู่ในป่าและเนื่องจากเป็นผู้มีเมตตาปรานีต่อผู้อื่นหมู่เนื้อก็เดินตามแวดล้อมไปในที่ต่างๆวันหนึ่งถูกพระเจ้ากรุงพาราณสี ชื่อปิลายักษ์ญิงเอาด้วยธนูด้วยเข้าพระไทยผิดภายหลังเมื่อทราบว่าเป็นมานกผู้เลี้ยงมารดาบิดาก็สลดพระไทยจึงไปจูงมารดาบิดาของสุวรรณสามมามารดาบิดาของสุวรรณสามก็ตั้งสัจจกิริยาอ้างคุณความดีของสุวรรณสามขอให้พิษของสอนหมดไปสุวรรณสามก็ฟื้นคืนสติ และได้สอนพระราชาแสดงคติธรรมว่าผู้ใดเลี้ยงมารดาบิดาโดยธรรมแม้เทวดาก็ย่อมรักษาผู้นั้นย่อมมีคนสันเสริญในโลกนี้ละโลกนี้ไปแล้วก็บันเทิงในสวรรค์ต่อจากนั้นเมื่อพระราชาขอให้สั่งสอนต่อไปอีกก็สอนให้ทรงปฏิบัติธรรมปฏิบัติชอบในบุคคลทั้งปวง เรื่องที่สี่เนมิราชชาดกชาดกในเรื่องนี้แสดงถึงการบําเพ็ญอธิฐานบารมีคือความตั้งใจมั่นคงมีเรื่องเล่าว่าเนมิราชกูมานได้ขึ้นครองราชสืบสันติวงศ์ต่อจากพระราชบิดาส่งบําเพ็ญคุณงามความดีเป็นที่รักของมหาชนและในที่สุดเมื่อทรงพระชารา ก็ส่งมอบราชสมบัติแก่พระราชโอรสเสด็จออกพนวดเช่นเดียวกับที่พระราชบิดาของพระองค์เคยทรงบำเพ็ญมาเรื่องที่หมโหสดชาดกชาดกเรื่องนี้แสดงถึงการบำเพ็ญปัญญาบารมีคือความรู้ทั่วถึงสิ่งที่ควรรู้มีเรื่องเล่า ว, ว่า บมโหสดบันดิตเป็นที่ปรึกษาหนุ่มของพระเจ้าวิเทหะแห่งกรุงมิถิลาท่านมีความฉลาดรู้สามารถแนะนำในปัญหาต่างๆได้อย่างถูกต้องรอบคอบเอาชนะที่ปรึกษาอื่นๆที่ริษยาใส่ความด้วยความดีไม่พยาบาทอาฆาตครั้งหลังใช้อุบายป้องกันพระราชาจากราชสัตรู และจับราชศัตรูซึ่งเป็นกษัตริย์พระนคอรอื่นได้เรื่องที่หกูริทัตตชาดกชาดกเรื่องนี้แสดงถึงการบำเพ็ญศีลบารมีคือการรักษาศีลมีเรื่องเล่าว่าภูริทัตตหน้าคราชไปจำศีลอยู่ริมฝั่งแม่น้ำยมุนา ยอมอดทนให้หมองูจับไปทรมานต่างๆทั้งๆ ท, ท, ที่สามารถจะทำลายหมองูได้ด้วยฤทธิ์มีใจมั่นต่อศีลของตนในที่สุดก็ได้อิสรภาพเรื่องที่เจจันทกุมานชาดกชาดกเรื่องนี้แสดงถึงการบำเพ็ญคันติบารมีคือความอดทนมีเรื่องเล่า ว, ว่า จันทกูมารเป็นโอรสของพระเจ้าเอกราชเคยช่วยประชาชนให้พ้นจากคดีซึ่งกันทหารละพร า, ราชปูโรหิตาจารย์รับสินบนตัดสินไม่เป็นธรรมประชาชนก็พากันเลื่อมใสเป่งสาทุกการทําให้กันทหาละพราหมหูกอาฆาตในพระราชกรูมารเมื่อพระเจ้าเอกราชทรงพระราชสุบินเห็นดาวดึงสเทวโลก เมื่อตื่นบันทมทรงใคร่จะทราบทางไปสู่เทวโลกตรัสถามกันทหาลพระพรามจึงเป็นโอกาสให้พรามแก้แค้นด้วยการกราบทูลแนะให้ตัดประเสียรพระโอรสทิดาเป็นต้นเพื่อบูชายันพระเจ้าเอกราชเป็นคนเขา่าก็สั่งจับพระราชโอรสสี่พระองค์พระราชธิดาสี่พระองค์ไปที่พระลานหลวงเพื่อเตรียมประหารบูชายัน นอกจากนั้นยังสั่งจับพระมเหสีสี่พระองค์และคนอื่นๆ อ, อ, อีกเพื่อเตรียมประหารเช่นกันแม้ใครจะทัดทานขอร้องก็ไม่ได้ผลร้อนถึงเท้าสักกะคือพระอินต้องมาข่มขู่และชี้แจงให้หายเข้าใจผิดว่าวิธีนี้ไม่ใช่ทางไปสวรรค์มหาชนจึงรุมฆ่าพรามปูโรหิตนั้นและเนรเทศพระเจ้าเอกราษ และกราบทูลเชิญจันทกุมารขึ้นครองราชเรื่องที่8นารทะชาดกชาดกเรื่องนี้แสดงถึงการบำเพ็ญอุเบกขาบารมีคือการวางเฉยมีเรื่องเล่าว่าพรมนารทะช่วยเปลืองพระเจ้าอังคติราชให้กลับจากความเห็นผิด มามีความเห็นชอบตามเดิมความเห็นผิดนั้นเป็นไปในทางว่าสุขทุกข์เกิดเองไม่มีเหตุคนเราเวียนว่ายตายเกิดหนักเข้าก็บริสุทธิ์ได้เองซึ่งเรียกว่าสังสารสุธิตเรื่องที่9วิทุระชาดกชาดกเรื่องนี้แสดงถึงการบำเพ็ญสั จ, จ บ, บารมี คือความสัตย์มีเรื่องเล่าถึงวิทุระบัณฑิตซึ่งเป็นผู้ถวายคําแนะนําประจําราชสํานักพระเจ้าทนันชัยโกรพยะเป็นผู้ที่พระราชาและประชาชนรักใคร่เคารพนับถือมากครั้งหนึ่งบุญ น, นกยักษ์มาท้าพระเจ้าทนันชัยโกรพยะเล่นส ก, กาถ้าตนแพ้จะถวายมณีรัตน์อันวิเศษถ้าพระราชาแพ้ ก็จะพระราชท า, านทุกสิ่งที่ต้องการเว้นแต่พระกายของพระองค์รชาชสมบัติและพระมเหสีในที่สุดพระราชาแพ้อุนกนกยักษึงทูลขอตัววิธุระบัณฑิตพระราชาจะไม่พระราชท า, านก็เกรงเสียสัตว์พระองค์ตีราคาวิธุระบัณฑิตยิ่งกว่าทรัพย์สินเงินทองใดๆทรงหน่วงเหนียวด้วยประการต่างๆแต่ก็ตกลงกัน ไปไต่ถามให้วิธุระบัณฑิตตัดสินวิธุระบัณฑิตก็ตัดสินให้รักษาสัตว์คือตนเองยอมไปกับยักษ์ความจริงยักษ์ต้องการเพียงเพื่อจะนำหัวใจของวิธุระบัณฑิตไปแลกกับธิดาพญานาคซึ่งความจริงเป็นอุบายของภริยาพญานาคผู้ใครจะได้สดับธรรมของวิธุระบัณฑิตจึงตกลงกับสามีว่าถ้าปุ น, นากายัก ต้องการที่ดาของตนก็ขอให้นําหัวใจของวิทุระบัณฑิตมาแม้ยักษ์จะหาวิธีทำให้ตายก็ไม่ตายวิทุระบัณฑิตกลับแสดงสาธุนรธรรมคือธรรมะของคนดีให้ยักษ์เลื่อมใสและได้แสดงธรรมแก่พญานาคในที่สุดก็ได้กลับมาสู่กรุงอินทปัตมีการฉลองรับขวัญกันเป็นการใหญ่ เรื่องที่สิบเวสสันดอนชาดกชาดกเรื่องนี้แสดงถึงการบาเพ็ญทานบารมีคือการบริจาคทานมีเรื่องเล่าถึงพระเวสสันดรผู้ใจดีบริจาคทุกอย่างที่มีคนขอครั้งหนึ่งประธานช้างเผือกคู่บ้านคู่เมืองแก่พรามชาวกาลิงคะซึ่งมาขอช้างไปเพื่อให้หายฝนแง้งแต่ประชาชนโกรธ ขอให้เนรเทศพระราชบิดาจึงจำพระไทยเนรเทศซึ่งพระนางมัตสีพร้อมด้วยพระโอรสธิดาได้ตามเสด็จไปด้วยเมื่อชูชกไปขอสองกุมารก็ประทานอีกภายหลังพระเจ้าสัญชยัยพระราชบิดาทรงไถ่สองกุมารแล้วเสด็จไปรับกลับกรุงเรื่องนี้แสดงการเสียสละส่วนน้อยเพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่ คือการตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าอันจะเป็นทางให้ได้บําเพ็ญประโยชน์ส่วนรวมได้ดียิ่งไม่ใช่เสียสละโดยไม่มีจุดมุ่งหมายหรือเหตุผลพระไตรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่29สุดทันตปิฎกขุทธกานิกายมหานิเทศเล่มนี้อัตตกถากล่าวว่าชี้แจงว่า เป็นพาษิทิ์ของพระสาริบุตรใจความทั้งหมดก็คือยกเอาสูตร16สูตรในสุตตนิบาตวรรคที่สคือตั้งแต่การมาสูตรถึงสาริบุตสูตรซึ่งในการย่อนี้เท่ากับสูตรที่39ถึงสูตรที่54มาอธิบายอย่างละเอียดทีละตัวอักษรถ้าจะกล่าวอีกอย่างหนึ่งเล่มที่29นี้ก็ไม่ต่างอะไรกับอัตกาถาสุตตานิบาต เพราะอธิบายพระสูตร16สูตรในสุตตานิบาตให้ชัดเจนขึ้นแต่เพราะเหตุที่เป็นคำอธิบายของพระสารีบุตรจึงได้รับยกย่องให้เข้าอยู่ในพระไตรปิฎกด้วยในที่นี้จะไม่ยอ่อเพราะถือว่าได้ยอ่อพระสูตรทั้ง16ไว้แล้วเล่มที่ส0สสุตตันตปีดกขุทธกานิกายจุลานิเทศ เล่มนี้ก็เช่นเดียวกันเป็นภาษิทธ์ของพระสารีบุตรอธิบายพระสูตรอีก16ปพระสูตรในสุตตานิบาตคืออธิบายคำถามคำตอบเกี่ยวกับมานบห6คนซึ่งย่อไว้ในที่ผ่านมาแล้วเป็นเพียงแต่เล่มนี้เป็นการอธิบายคำถามคำตอบอย่างละเอียดทุกตัวอักษรเช่นกันนอกจากนั้นยังอธิบายคัควิสารสูตรที่สในสุตตานิบาตอีกโดยพิสดาร จึงรวมเป็น17สูตร